ตอนนี้เราเรียนมาถึงหน้าที่12กล่าวถึงเรื่องศีลที่เป็นการสังวรระวังในด้านกายวาจาให้มันสะอาดให้มันถูกต้องเพื่อจะได้เป็นที่ตั้งของจิตใจที่ดีงามต่อไปยิ่งยิ่งขึ้นนะถ้าพื้นฐานด้านกายวาจาไม่ดีจิตใจมันก็ตั้งไม่ดีมัน ไม่มีที่ตั้งถ้ากายวาจาดีพื้นฐานมันก็ดีไปด้วยนะครับฉะนั้นเวลาเราเรียนธรรมะนะเราก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ดีๆไม่ใช่ว่าแหมไปเรียนธรรมะมีแต่หมวดปัญญาหมวดนั้นหมวดนี้อะไรต่างๆนะนึกว่าแหมเรามีปัญญาเยอะแล้วสามารถรู้นั่นรู้นี่คิดนั่นคิดนี่ได้แบบนั้นมันปัญญาปลอมนะแบบนั้นทำให้ เราไม่รู้จักเห็นใจคนอื่นแล้วก็จิตใจไม่อ่อนโยนไม่นิ่มนวลไม่ควรต่อการใช้งานเพราะว่ารู้สึกว่ามีความรู้เยอะเขาเรียกพวกมีมานะน ะ, นะเหมือนเราเรียนธรรมะหัวข้อนั้นหัวข้อนี้พอเรียนธรรมะได้เยอะๆก็ชักไม่ฟังใครแล้วนะสามีพูดมาก็แหมหมอนนี่มันไม่รู้ธรรมะเลยคนนั้นก็ไม่รู้เพื่อนเราก็ไม่รู้ธรรมะอะไรต่างๆ แบบนี้เรียกว่าใจมันกระด้างมันมีมานะนะครับที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาจริงเป็นปัญญาปลอมๆเท่านั้นเองมันหลอกเราแท้ที่จริงปัญญาจะมีได้มันต้องอาศัยจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นจิตที่จะมีสมาธิต้องอาศัยศีลศีลนี้ต้องอาศัยกายวาจาที่บริสุทธิ์นี่มันจึงจะมีที่อาศัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันถูกต้อง ไม่ใช่จะมีใครบังคับได้นะมันต้องเป็นไปนตามลําดับอย่างนี้นะครับนี่ท่านก็พูดถึงในเรื่องของการฝึกฝนให้มีศีล น, นะถ้าท่านอ่านดูท่านก็จะเห็นว่าก็เป็นเรื่องด้านกายวาจาที่มันถูกต้องกายวาจาแล้วก็อาชีวะซึ่งก็คือลักษณะการฝึกตามอาริยมรรคมีองค์8ปประการเริ่มต้นจากความเข้าใจที่ถูกก่อนเห็นไหมพูดความจริงให้เข้าใจก่อน มีสัมมาทิฏฐิเสร็จแล้วก็ให้มาฝึกฝึกให้มีศีลเพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิพอมีสมาธิมีความตั้งมั่นก็มองดูให้เห็นความจริงเกิดปัญญาเนี่ยแต่เดิมไม่รู้ก็มาฟังให้รู้ว่าอ๋อแต่เดิมมันไม่รู้ไม่รู้ความจริงนี่อันนี้ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิชั้นหนึ่งแล้วเหมือนกับพระสูตรนี้เห็นไหมพูดให้เข้าใจความจริงก่อนว่าทุกข์มันมาอย่างนี้นะ มาเพราะว่ามีตัณหามีความไม่รู้แล้วก็ยึดอยากเอากองทุกข์มันมาอย่างนี้ก็ให้มาฝึกฝึกก็มีศีลก่อนมีกายวาจาบริสุทธิ์เป็นที่ตั้งของจิตใจที่ดีงามขึ้นมีศีลมีสมาธิแล้วก็จะได้เกิดปัญญาต่อไปนี้เป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะครับฉะนั้นท่านตั้งหลายเรียนไปก็ต้องย้อนกลับมาที่การมีศีล การฝึกฝนตนเองนะให้เป็นคนไม่ประมาทมีสติมีสัมปชัญญะบางท่านก็สงสัยว่าเอ๊ยอย่างศีลหเรานี่นะเอาแค่ศีลหยังมีข้อที่หเป็นสุราเมรยมัชชะประมาทัฐานาใช่มนะมีข้อที่หด้วยคือการงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาทแต่พอมาพูดถึงอริยมรรคแล้วทำไมไม่เห็นมี สุราเมระยะมัชฌะเลยเขาว่าอย่างนี้นะนะที่มันไม่มีเพราะว่าสุราเมระยะนั้นมันเป็นพื้นฐานมากๆหมายถึงว่าเป็นศีลที่หยาบมากๆนะเป็นศีลของพวกธรรมดาธรรมดาพื้นฐานแต่ว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่สอนเหนือธรรมดาคือสอนให้คนไม่ประมาทฉะนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงพวกที่ประมาทขาดสติดื่มสุราเมีไรไปวันๆไม่ต้องพูดถึงนะ สอนให้เป็นคนไม่ประมาทมีสติมีสัมปชัญญะก็สุราเมรัยนี้มันเป็นที่ตั้งของการขาดสติขาดสัมปชัญญะทําให้ประมาทไปฉะนั้นเวลาพูดถึงศีลแบบอริยมรรคและก็คือศีลของคนมีสติมีสัมปชัญญะเห็นโทษของการขาดสติขาดสัมปชัญญะเราทั้งหลายเห็นโทษหรือยังถ้าเห็นโทษของการขาดสติขาดสัมปชัญญะก็จะมาฝึกตามแบบอริยมรรคนะ พอฝึกตามแบบอริยมรรคศีลห้าที่จะขาดมันก็น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งหมดโอกาสที่จะขาดไปอย่างนี้ทําไมมาฝึกตามแบบอริยมรรคนะั้นมันก็ได้ศีลเป็นพื้นฐานอยู่เท่านั้นแต่ศีลเป็นพื้นฐานมันก็ไม่แน่นอนเพราะว่าสักหน่อยมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปนะเดี๋ยวสักหน่อยขาดสติก็ไปทําอีกแล้วขาดสติก็ไปทําอีกแล้วขาดสติก็ไปพูดโกหกอีกแล้วอย่างนี้แต่ถ้าศีลแบบอริยมรรคนี้เขาเน้นที่การมีสติในเมื่อเน้นที่การมีสติแล้ว สีลไอข้อที่ว่าขาดสติเป็นที่ตั้งของความประมาทจึงตัดทิ้งเพราะว่าเราเห็นโทษของมันแล้วเนี่ยทีนี้บางคนเขาไม่เข้าใจอย่างนี้นะพอมาปฏิบัติธรรมก็จะอยากให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกนะก็แบบเอกินเหล้าก็กินนิดหน่อยนะกินพอไม่ขาดสตินั่นเขาว่าแต่ยังไงนะจริงๆมันขาดตั้งแต่กินแล้วคือเขาไม่เห็นโทษของการขาดสตินะกินน้อยก็ขาดน้อยกินมากก็ขาดมาก กำลังจะกินถ้าเรามีสติเราก็งดเบนถ้าอยากจะกินแล้วไปกินก็เรียกว่าขาดสติเท่านั้นเองไม่ยากอะไรนะครับฉะนั้นในศีลอริยมรักท่านจึงเน้นที่การมีสติมันจึงไม่ต้องพูดถึงข้อสุราอย่างนี้พอเข้าใจไหมเพราะเราเห็นโทษแล้วนะฉะนั้นคนไหนที่เขาบอกว่านี่ผมเป็นนักปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติดีเหลือเกินแต่กินเหล้าอยู่อย่างนี้ อันนี้พวกนี้มันไม่ได้เรื่องนะผมกินเหล้าอย่างมีสติเข้าไปอย่างนี้โอ้พวกนี้มนไม่ได้เรื่องแต่ที่จริงข้อนี้เขาทิ้งก่อนเขาเลยเพราะว่าสุราเมรัยเป็นที่ตั้งของความประมาทพระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าความประมาทนี่ไม่ได้สอนสอนให้ไม่ประมาทให้มีสติเห็นไหมฉะนั้นจึงคล้ายๆกับว่าข้อนี้มันเป็นพื้นฐานมากๆจนไม่ต้องพูดถึงสําหรับคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหม อย่างนี้นะครับทีนี้พอเป็นศีลแบบอริยมรรคด้านวาจาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกด้านวาจาเช่นแต่เดิมศีลห้าที่เป็นพื้นฐานนี้แค่ไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกก็ไม่ผิดศีลห้าอะไรนะแต่พอมาปฏิบัติธรรมมาฝึกฝนตนเองนี่มีเพิ่มขึ้นมาอีกนะกลายเป็นไม่พูดโกหกด้วยไม่พูดคำหยาไม่พูดซอเสียนไม่พูดเพรสเชอถ้าเราจะเอาแค่ว่าอา้าไม่พูดโกหกล้วก็ ปฏิบัติไปอย่างนี้มันก็ไม่พ้นอะไรเพราะว่าไปเพลย์เจออยู่ไปพูดอย่างนู้นอย่างนี้เป็นไงสักหน่อยกิเลสก็ท่วมอีกขาดสติเหมือนเดิมเห็นไหมที่เราไปพูดคำหยาบก็ดีพูดส่อเสียดก็ดีพูดเพลย์เจอร์เพราะอะไรเพราะมันขาดสติฉะนั้นการฝึกในแบบอริยมรรคนี้เขาเน้นที่การมีสติมีตัวสังวรระวังเอาไว้นะทีนี้เมื่อสังวรระวังกิเลสหยาบ ไม่ก่อให้เกิดการกระทาด้านกายวาจางดเว้นกายะทุจริตวจีทุจริตออกไปได้ท่านจึงเรียกว่าปาติโมคสังวรมีคาว่าสังวร อ, อยู่ข้างหลังนั่นเป็นชื่อของสตินะกายก็จะสะอาดใจก็จะสะอาดจะเป็นที่ตั้งของจิตที่ดีงามที่คิดดีทำดีพูดดีต่อไปอย่างนี้นะครับนะทีนี้ ในหน้าที่12นะต่อไปหลังจากฝึกฝนเป็นคนมีศีลแล้วนะก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่กับตนเองมากขึ้นเรียกว่าเป็นคนสันโดษฉันเรื่องความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตน ม, มีก็สำคัญมากเหมือนกันนะเราทั้งหลายบางทีก็ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะชอบมีนั่นมีนี่อะไรเยอะแยะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่สำรวมระวังในการกินในการดูในการฟังอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นที่มาของกิเลสเยอะแยะนะอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะพวกที่ดูเหมือนไม่ผิดศีลนะเช่นว่าเอา้าทำไมพระพุทธเจ้าสอนอยู่เรื่ยโภชเนมัตตัญยุตาให้มีปัญญารู้จักประมาณในโภชนะเอะ้เราก็ไม่ได้ไปทําผิดศีลอะไรนี่นี่เขาว่าอย่างงี้นะถ้าพวกฝึกสติเขาจะรู้จักเลยว่าอ๋อนี่นี่น การไม่ระวังในทางลิ้นก็ดีไม่ระวังในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดีมันเป็นเหตุให้ขาดสติฉะนั้นตัวสติมันจึงเน้นมากนะครับฉะนั้นท่านจึงสอนในการที่ให้เราสันโดษพอใจในสิ่งต่างต่างให้รู้จักมีปัญญารู้จักประมาณในสิ่งต่างๆอย่างนี้นะเหมือนไม่ผิดศีล น, นะกินอาหารอร่อยนี้ผิดศีลอะไรหมไม่ผิดอะไรนะเออนะ แต่ว่ามันไม่เข้าหลักธรรมชาติครับไม่เข้าหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติที่ถูกต้องก็คือกายนี่มันเป็นกองทุกข์ใช่ไหมท่านแบกกองทุกข์เดินไปเดินมาท่านเอาอาหารใส่เข้าไปถ้าเยอะเกินไปนี่มันหนักเกินนะถ้าใส่น้ําตาลเยอะเกินไปโรคมันก็เยอะขึ้นถ้าอาหารเยอะมันก็แบกหนักคนอาหารเยอะแล้วท่านลองยิ่ดูสิเห็นไหมนี่ร่างกายท่านเองท่านก็แบกพออยู่แล้วเห็นไหมมันเป็นภาระ ทีนี้ของพระพุทธเจ้านี่ท่านแสดงสอดคล้องกับความจริงแต่เรานี่เอากิเลตมาพูดมันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องไงดงั้นที่ท่านให้สันโดษให้พอใจนี้มันไม่ใช่ว่าท่านไปบัญญัติขึ้นมาใหม่แต่ว่ากายนี่มันเป็นกองทุกข์ท่านหาอาหารใส่เยอะเนี่ลองดูสิมันเป็นยังไงเหมือนที่เราใส่กันเยอะเยทุกวันนี้เป็นไงบ้างต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้มากมายเห็นไหมต้องหาหมอมารักษาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าเอาแต่ของไม่มีประโยชน์ใส่เข้าไปนี่ มีภาระเยอะแยะเพราะไม่รู้จักประมาณในโภชนะไม่รู้จักว่าอาหารไหนควรทานไม่ควรทานไม่รู้จักมีสติเลือกสรรอาหารที่มันมีประโยชน์อย่างนี้พอเข้าใจไหม <c oughs> นะทีนี้เวลาพูดเอาพวกกิเลสมาพูดมันก็พูดกันไม่รู้เรื่องนะแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราต้องรู้ว่าอ๋อของท่านเป็นของบริสุทธิ์นะท่านสอนนี้ไม่ใช่ว่าท่านพอใจอย่างนี้ท่านเลยบริยัดบัญญัติอย่างนี้ไม่ใช่ คือความจริงมันเป็นอย่างนั้นท่านเขาพูดไปตามความจริงอย่างนั้นทําไมจึงควรรู้จักประมาณในอาหารก็ความจริงมันเป็นอย่างนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูสิร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมท่านถือมันแบกไปแบกมาอยู่เนี่ยท่านเอาอะไรใส่เข้าไปเยอะๆเนี่ยไอ้ท่านแบกอยู่ทุกวันเนี่ยมันหนักไหมมันก็หนักพออยู่แล้วนะเอานั่นที่เป็นต้นเหตุของโรคนั้นโรคนี้ใส่เข้าไปอ้วนมากเกินไปน้ําตาลเยอะเกินไปอะไรเกินไปนี่โอ้มันมากเหมือนกันนะ แม้แต่เสื้อผ้าแม้แต่อะไรต่างๆนี่มาห่มมันอะไรมันเหนื่อยไหมก็ตัวเนี่ยมันยังเป็นตัวทุกข์ท่านถือมันไปมานี่แหมแค่เรื่องอาหารการกินก็ลําบากต่อไปอีกจะแย่อยู่แล้วเสื้อผ้าเครื่องนุ่งคลมที่รับที่นอนโอ้เห็นไหมเรื่องมากเหลือเกินอย่างนี้นะ จานั้นที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักสันโดษให้พอใจให้มักน้อยให้ทําอะไรง่ายๆสบายๆฝึกฝนตนเองเพื่อขัดเกลากิเลสทําความเพียรละกิเลสนะเพียรเผากิเลสอะไรอย่างนี้นะก็คือเพียรทําชีวิตให้มันสบายๆขึ้นให้มันง่ายๆขึ้นภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรซิมเพิลซิมเพิลรู้จักไหมพูดภาษาไทยชัจกจะไม่ค่อยรู้เรื่องต้อง ภาษาฝรั่งแล้วโอ้ยมันรู้เรื่องอแต่ก่อนมันยุ่งยากไนงะจะกินทีโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ปรุงแล้วปรุงอีกปรุงแล้วปรุงอีกแล้วเอาอะไรใส่เข้าไปให้สีสันสวยงามก็ดีอะไรก็ดีมันไม่ไม่สนะิมเพิลอย่างเงี้ยเอออย่างเนี้ยนะนะต้องพูดภาษาฝรั่งนะเอาล่ะทีนี้หลังจากเรามีศีอย่างนั้นแล้กายวาจาสะอาดดีแล้วต่อมาก็ มารู้จักการสันโดษก็คือนี่ง่ายๆพอใจมีความสุขในสิ่งที่ตนเองมีไม่เกินไปนะทำไปด้วยสติด้วยปัญญานะในที่นี้ท่านก็จะพูดถึงจีวรกับบิณฑบาตนะแต่ว่าก็ปัจจัยทั้งหมดทุกๆอย่างอย่าให้มันเกินไปมากนะครับโสสันตุโธโหติกายะปริหาริเกนะจีวเรนะ กุชิปริหาริเกณะปินดาปาเตนะภิกษุนั้นเป็นผู้สันโดษคือมีความพอใจมีความสุขด้วยจีวรสําหรับพอบริหารร่างกายให้พอเป็นไปได้แล้วก็บินธบาตสําหรับบริหารท้องนี่พระพุทธเจ้าท่านใช้คําว่าบริหารเพราะว่ากายนี้มันเป็นตัวทุกข์นะจีวรเครื่องนุ่งห่มนี้มันบริหารกายให้มันพอเป็นไปได้ คือไม่ให้มันร้อนเกินไปไม่ให้มันหนาวเกินไปไม่ให้เหลือบยุงลมแดดมันตีเอาจนไม่สบายอันนี้บริหารกายเอาพอเท่านี้นะบินตบาดอาหารก็บริหารท้องเอาแค่ให้ท้องมันพอเป็นไปนได้เห็นไหมมันเป็นตัวทุกข์อ่ะเราก็ต้องบริหารไปใช่ไหมไอเรานี่มีเสื้อผ้าเพื่อจะหาสุขใช่ไ ม, มเสื้อผ้าเอาสุข ของพระพุทธเจ้าห่มเสื้อผ้าบริหารกายให้มันพอเป็นไปได้กินอาหารเอาอร่อยใช่ไหมอแบบนั้นแบบเรานะของพระพุทธเจ้ากินอาหารนี้บริหารท้องใช่ไหมมันหิวนะก็บริหารท้องอย่างนี้นะครับนี่นะเรื่องสันโดษนี่ก็สําคัญนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายนะทำอะไรก็ทำไปด้วยสติด้วยสัมปชัญญะ จนรู้จักการสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีทำง่ายๆสบายๆทำไม่ต้องยุ่งยากเสื้อผ้าก็ไม่ต้องยุ่งยากอาหารก็ไม่ต้องยุ่งยากที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องยุ่งยากยารักษาโรคก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องปรุงแต่งอะไรให้มันมากอันนี้เขาเรียกว่าสันโดษรู้จักไหมนะ ที่สันโดษในปัจจัยต่างๆเหล่านี้ต่อไปเราก็จะได้มีเวลาในการเจริญกุศลอะไรต่างๆให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้ามามัวหมกบุ้นแต่เรื่องแหมจะเสื้อผ้าชุดไหนเป็นไงเสียเวลาไปตั้งเยอะและ้วอาหารยังไหนเสียเวลาไปตั้งเยอะโน่นนี่โอ้โแค่เรื่องปัจจัย4ี่นี่หมดเวลาไปจะทั้งชีวิตอยู่แล้วอย่างนี้ลําบากนะครับอันนี้อันนี้ก็สําคัญนะเรื่องสันโดษอย่าว่าไม่สําคัญนะ เรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่หลับที่นอนนะนอนสบายสบายได้ไม่นุ่มเกินไปก็หัดหัดนอนบ้างนะสบายดีน ะ, ะ, นะเราเนี่ยแหมเตียงเราจะหนุ่มเป็นเก้าอี้เท้าสกกะอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหนอนลงไปหนุ่มยึบยุบเลยกิเลสเอาไปกินหมดเห็นไหนะ่ะขาดสติขาดสัมปชัญญะกันไป โสเยนะเยเนวะปักมติสมาดายะปักมติภิกษุนั้นท่านจะหลีกไปยังทิศไหนๆก็ถือเอาแล้วก็ไปได้ทีเดียวเสยถาปินามะปักขีสกุโนอุปมาดุดว่านกที่มีปีกเยนะเยเนวะเดติสัปตะพารวเดติ มันต้องการบินไปยังทิศไหนไหนก็มีปีกเท่านั้นเป็นภาระแล้วก็บินไปอันนี้สำหรับพระนะถ้าเป็นผู้สันโดษในจีวรในอาหารบินทบาทท่านจะไปที่ไหนไหนมันก็สะดวกสบายปลอดโปรง่งเบาสบายใจที่สะอาดปลอดโปร่งอย่างนี้เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าการสันโดษนี้มันเป็นกุศลนะกุศลนี้มันเอื้อต่อกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ฉะนั้นเราฝึกฝนนี่ฝึกฝนเพื่อนเหนือทั้งบุญ เ, เหนือทั้งบาปเนือทั้งอกุศลทั้งกุศล น, นะแต่ว่าแรกๆมันต้องเอากุศลก่อนนะผู้ที่มีกิริยาจิตก็มีท่านเดียวที่แบบเป็นชาวนะนี่นะเราคงเรียนอภิธรรมกันมาแล้วก็คือพระอารหันส่วนชวนะของเราทั้งหลายนี่มันมีสองอันมีอกุศลกับกุศลถ้าเราไม่เอากุศลอกุศลมันก็จะเอาไปกินนะ ฉนันบางคนบอกว่าอย่าไปทําอะไรเลยอย่าไปเอาอะไรทั้งนั้นพวกนี้ก็เอาอากุศลไปเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นพระอรหันจะไปพูดอย่างนั้นได้ไหมไม่ได้นะบางคนก็พูดดีนะฟังดูดีไหมอย่าไปเอาอะไรเลยไม่เอาทั้งกุศลไม่เอาทั้งอกุศลคนที่ไม่เอาได้มีเฉพาะพระอรหรันส่วนเราทั้งหลายนี้ต้องเอากุศลไว้เอาสติเอาสัมปชัญญะไว้นะอย่าเพิ่งไปปล่อยนะบางคนนั้นก็ปล่อยแหลกลานไปหมด ปล่อยโน่นปล่อยนี่ไม่เอาแม้สบายเละเกินก็ว่าอย่างนี้นะไม่เอากระทั่งสติไม่เอากระทั่งศีล ส, สมาธิปัญญาเขาก็ยั ง, งโง่ต่อไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมฉะนั้นเราทั้งหลายนี่นะจิตของเรานี่มันเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างถ้าเราไม่เอากุศลปั๊บกุศลไม่เจริญอกุศลก็เอาไปกินนี่พอเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เพียรไงเพียรป้องกันอกุศลเพียรละอกุศล เพียนทำให้กุศลมีขึ้นเพียรเจริญกุศลจนกระทั่งเต็มสมบูรณ์แล้วก็อกุศลก็ไม่เอากุศลก็ไม่เอ า, เ อ, าอย่างนี้จึงใช้ได้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งไปปล่อยอะไรให้มันเร็วมากนะเอาสติไว้ก่อนหน่อยนะแต่ไม่ใช่เอาแบบยึดยึดตามตันหาอะไรแล้วก็ฝึกไปนะให้มีสติมีสัมปชัญญะมีศีลสมาธิปัญญานะครับ อันนี้ท่านก็กล่าวถึงเรื่องสันโดษภิกสุนั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเพียงพอบริหารกายด้วยบินตบาทเพียงพอบริหารท้องภิกสุนั้นต้องการไปยังทิศใ ด, ดๆก็ถือเอาไปได้ทีเดียวเหมือนกับอุปมาเหมือนกับว่านกที่มีปีกไปยังทิศใ ด, ดๆก็มีปีกเท่านั้นเป็นภาระแล้วก็บินไป เอวะเมวะพิกขุสันตุโธโหติกายาปาริหาริเกณะจีวเรนะกุจิปาริหาริเกณะปินดาปาเตนะพิกษุรูปนั้นก็เช่นเดียวกันเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวรสำหรับบริหารร่างกายด้วยอาหารบินดบาบัดสำหรับบริหารท้องโสเยนะเยเนวะปักกมติภิกษุนั้น ไปยังทิศใดๆสมาดาเยวะปักมติก็ถือเอาไปได้เลยทีเดียวโสอิมินาอริเยนะสีลขันเทนะสมนาคโตอัจชัดตังอนวัชสุขขังปฏิสังเวเดติภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสีลขันอันเป็นอริยะนี้ย่อมเสวย สุขอันไม่มีโทษในภายในนะนี่นะถ้าฝึกฝนได้ถึงตอนนี้นะก็จะเริ่มมีความสุขแล้วแต่ว่าเป็นความสุขขั้นศีลเพราะว่าใจประกอบด้วยศีลใจมีศีล น, นี่ถ้าท่านอยากรู้ว่าใจมีศีลเป็นยังไงนะนี่ก็ดูนี่กายทุจริตเราก็ละไปได้วจีทุจริตเราก็ละไปได้ส่วนท้งใจก็ยินดีพอใจ ในวัตถุสิ่งของต่างๆตามมีตามได้แล้วเป็นคนง่ายๆเป็นคนที่ไม่ห่วงเรื่องการกินไม่ห่วงเรื่องเสื้อผ้าไม่ห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไหนก็แหมสบายนี่อาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะที่ดีไม่ทำตามตัณหานี่ก็จะช่วยได้นะครับถ้าท่านไหนที่ยังห่วงใยกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่มากก็เอาไปพิจารณาดูนะ บางคนเขาก็อยากจะแต่งตัวสวยเขาก็อ้างสักหน่อยหนึ่งนะแหมสวยหน่อยก็ไม่ได้เลยนางวิสาขานะ่ะเป็นพระโสดาบันเขายังแต่งตัวสะสวยเลยเนี่ยท่านถ้าอยากจะพูดอย่างนี้รอเป็นพระโสดาบันก่อนก็แล้วกันค่อยพูดตอนนี้ยังไม่เป็นก็ให้สันโดษไปก่อนนะมันเรื่องมากนะนะฉะนั้นต้องเข้าใจดีๆนะครับนะไม่ใช่ว่าแมมห้ามสวยๆห้ามอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอันไหนที่ เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านติดข้องหรือว่าทำให้ท่านไม่เป็นสุขทำให้ท่านขาดสติสัมปชัญญะก็ควรจะงดเว้นนะโสอิมินาอริเยนะสีลขันเถนะสมนาคโตภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยสีลขันอันเป็นอริยะนี้นี่ก็คือสีลขันนั่นเป็นอริยะคืออันนี้นะก็คือมีกายที่ดีวาจาร์ที่ดี ละเว้นงดเว้นจากทุจริตไปได้แล้วก็มีความสันโดษพอใจความคิดอะไรต่างๆที่จเจ้านั่นเอานี่เอามากๆมันก็ไม่มีอัจชรตังอนวัชชสุขขังปฏิสังเวเดติย่อมเสวยความสุขอันไม่มีโทษในภายในปฏิสังเวเดติแปลว่าเสวยหรือว่ารู้สึกรู้สึกเป็นสุขที่ไม่มีโทษในภายใน สุขแบบนี้ไม่มีโทษนะง่ายสบายปลอดโปร่งส่วนสุขชนิดมีโทษก็คือสุขที่เราเอาการมาสุขมากินอาหารอร่อยๆจึงเป็นสุขโอ้นี่ไม่ไหวนะฟังเสียงเพาะๆจึงเป็นสุขแบบนี้มันสุขแบบมีโทษมันสุขก็จริงอยู่แต่ว่ามันมีโทษคือกว่าจะหาได้เหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วก็สักหน่อยมันก็แปรปรวนไปมันก็วนเวียนไปเรื่อย แต่ถ้าแบบมีศีล น, นะกินข้าวพอบริหารท้องเป็นสุขนะนอนพอบริหารหลังแม่เป็นสุขใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะง่ายๆสบายสบายเป็นสุขสุขแบบไม่มีโทษในภายในใจก็ไม่เดือดร้อนนะแต่ถ้าเป็นสุขอย่างอื่นนะหานั่นหานี่มาอะไรต่างๆมีโทษในภายในเยอะแยะนะใจยังเต็มไปด้วยอกุศล พวกไม่รู้เยอะๆนี่มันก็ทําอย่างนั้นไปนะเช่นเวลาเราโกหกนี่คิดว่าตนเองจะมีสุขใช่ไหมโกหกที่โกหกเขาเออถ้าเขาไม่รู้แล้วจะทําให้เราไม่ได้รับโทษมีสุขเขาคิดอย่างนี้ใช่ไหมนี่พวกไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นะพอกโกหกไปเขาอาจจะได้รับความสุขอะไรบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นความสุขแบบนอกๆส่วนข้างในเป็นไงใจนั้นดํามืดทีเดียว เป็นอกุศลบาปประธรรมไปอย่างนี้นะฉะนั้นต้องละเว้นทุจริตไปนะเราทั้งหลายนี้อยากจะมีความสุขทุกๆุกคนแหละแต่ว่าเวลาอยากจะมีความสุขแล้วก็ไปโกหกคนอื่นไปเบียดเบียนไปโคดโกงกันโกงเอามาเพื่อจะมีความสุขคิดว่าจะมีความสุขแต่ว่ามันไม่ใช่ต้องงดเว้นไปนะจึงจะได้รู้สึกเป็นสุขที่ไม่มีโทษในภายใน นะครับฉะนั้นว่าไปแล้วการปฏิบัติธรรมตอนแรกๆนี้จะเป็มไปด้วยความสุขความสุขขั้นศีลก็เป็นชั้นหนึ่งต่อมาก็จะเป็นการฝึกอธิจิตและเป็นการฝึกเรียนรู้จิตฝึกอินทรีย์สังวรก็มีสุขอีกชนิดหนึง่งสุขแบบสมาธิก็เป็นสุขอีกชนิดหนึง่งก็มีแต่สุขนะแรกๆเนี่ยสุขจากศีลสุขจากอินทรีย์สังวรสุขจากสมาธิต่อมาเมื่อเกิดปัญญาก็จะเห็นว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ ปล่อยให้สุกไปก่อนสุกนี่เป็นเหยื่อล่อเฉยๆนะแท้ที่จริงเป็นแค่เหยื่อล่อเพราะว่าแท้ที่จริงเราไม่ได้เอาสุกถ้าใครไปติดสุกมันก็จะติดอยู่แค่สมาธิไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ฉะนั้นจะต้องเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นทุกข์นะถ้าคนฝึกฝนจนกระทั่งมีปัญญาก็จะเห็นว่าไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์ฉะนั้นแท้ที่จริงปฏิบัติธรรมตอนต้นๆท่านจะรู้ว่าสุข แต่ว่าพอไปปลายไปจะรู้สึกว่ามีแต่ทุกข์เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าแมมปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันสุขตลอดเลยอย่างนี้มันใช้ไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าติดสุขอยู่การสุขนี้มันเป็นขั้นต้นเฉยๆสุขจากศีลบ้างสุขจากอินทรีย์สังวรบ้างสุขจากสมาธิบ้างแต่พอเลยถึงชั้นปัญญาปับ๊บจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์เข้าใจหคนละชั้นกันนะ อย่างนี้นะครับตอนนี้ก็พูดถึงสุขไปก่อนเนาะต่อไปหน้าที่13นะครับหน้าที่13หาหลังจากพูดเรื่องอริยะศีลขันแล้วต่อมาก็จะพูดถึงการฝึกจิตที่ละเอียดยิ่งขึ้นการฝึกจิตที่ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าว่าถึงตามหลักธรรมะไตรสิกขาแล้วก็เป็นการฝึกอธิจิตและลำดับต่อมาเนี่ยนะครับ อินทรียสังวรต่างเหล่านี้เป็นการฝึกอธิจิตส่วนปาติโมกขสังวรก็ดีสันโดษก็ดีอันนี้ก็เรียกว่าอธิศีลการละเว้นกายาทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้แหละเขาเรียกว่าศีลฝึกอธิศีลสิกสขาแล้วได้ศีลต่อมาจะเป็นการฝึกอธิจิตอันนี้เป็นการฝึกเพื่อให้จิตมีสมาธิอธิจิตตะศิขานี้ทําให้เกิดสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วจะมีสมาธินะ ที่ผิดเพราะว่าเราทำสิกขาผิดนะโดยส่วนใหญ่พยายามไปทาสมาธิสมาธิมันทำอย่างนั้นไม่ได้มันมาจากการฝึกอธิจิตศีลก็ฝึกอธิศีลจึงได้ศีลเห็นไหยรู้จักแล้วใช่ไหมศีลฝึกแบบนั้นจะได้ศีลนะต่อมาให้มาฝึกอธิจิตแล้วจะได้สมาธินะครับโสจักคุณารูปังลิสวานนิมิตตคาหีโหตินานุพยัญชนักคาหี ภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้ไม่ยึดถือโดยนิมิตไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะยัตตวาที่กรณะเมนังจักขุนดริยังอสังวุตังวิหรันตังอภิชาโดมนัสสาปาปากาอากุศราธรรมาอนวาสเวยุงซึ่งเป็นเหตุให้สำหรับผู้ที่ไม่สำรวมระวังจักขุนสีอยู่ ก็จะเป็นเหตุให้บาปอาสุสรธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัตเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะตัด ส, สังวรายะปฏิปัติชติเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสํารวมระวังจากขุนสีนั้นรักติจากขุนดริยังรักษาจากขุนสีจากขุนดริเยสังวรังอาปัติถึงการสํารวมระวังในจากขุนสีนะ อันนี้ก็ด้านทางตานะครับอันนี้ก็ต้องมาฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะรู้เท่าทันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเห็นรูปด้วยตาแล้วก็ไม่ยึดถือในนิมิตไม่ยึดถือว่าหญิงว่าชายรู้ว่าเป็นหญิงเป็นชายแต่ไม่ยึดว่าจริงจังการรู้กับการยึดมันไม่เหมือนกันนะเรามองเห็นอารมณ์มองเห็นทางตาเราก็รู้อยู่แ ล, แล้วแหละว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าธรรมชาติของวิญญาณ น, นี้มันรู้แจ้งอารมณ์ รู้ว่าสูงต่ําดําขาวผู้หญิงผู้ชายมันก็รู้อยู่แล้วแต่รู้ในแบบวิญญาณแต่ถ้าไปยึดจริงๆขึ้นมาอเ น, นี่ยยึดนิมิตยึดนิมิตพอเห็นอ้าวคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยจริงจังขึ้นมาแต่ว่าวิญญาณนี้ก็จะเห็นว่าเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเรียกว่ารู้แจ้งอารมณ์แต่ถ้าเป็นการยึดแล้วพวกขาดสติก็จะนี่ เดินสวยเดินไม่สวยตัวสูงตัวต่ำเสื้อลายนั้นเสื้อลายนี้เป็นไงจริงจังแล้วการจริงจังว่าสวยไม่สวยดีชั่วถูกผิดรู้สึกว่ามันถูกจริงจริงผิดจริงๆสวยจริงๆไม่สวยจริงๆอันนี้เ็าเรียกติดในนิมิตเข้าใจไหมนะเวลาท่านเห็นคนเดินไปมันเดินขากระเพก ท่านรู้สึกไม่สวยจริงๆไหมไม่สวยจริงๆอันนี้เรียกว่าติดในนิมิตติดในนิมิตใช้จริงตาจาักจุวิญญาณมันมองเนี่ยมันมองแจ้งอารมณ์เฉยๆมันทําให้เราเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเฉยๆแต่การยึดว่ามันจริงๆจังๆขึ้นมาเขาเรียกติดในนิมิตนะพอติดในนิมิตแล้วบางคนยังไม่หยุดอยู่เท่านั้นก็ติดในอนุพยัญชนะคือารายละเอียดของนิมิตนั้นเพิ่มขึ้นไปด้วย เออคนนี้สวยนะสวยจริงๆด้วยแล้วเขาไม่หยุดอยู่เท่านั้นสวยตรงไหนล่ะสวยตรงตาตรงคิ้วตรงปากแดงๆตรงตุ้มหูตรงนาฬิกาตรงลายนั้นตรงลายนี้รายละเอียดปรีกย่อยลงไปเรื่อยอันนี้แน่นอนเลยกิเลสต้องท่วมเขาแน่นอนนะเรียกว่าติดอนุพยัญชนะนะครับฉะ้เวลาตามองเห็นนี่สมมุติเห็นเสือ้อมันก็จะเห็น แจ้งอารมณ์อย่างนั้นถ้าเราไม่ไปยึดโดยนิมิตก็จะไม่รู้สึกว่าจริงจังอะไรนะจะว่าสวยก็สวยไม่สวยก็ไม่สวยแล้วแต่พอติดในนิมิตมันก็จะยึดสื่อว่าเออสวยหน้าเอาแล้วพอติดอนุพยัญชนะก็สวยตรงไหนล่ะสวยตรงลายมันตัดกันอย่างนี้อย่างนี้สวยตรงนี้ลายมันเป็นภูเขาราวกามีดวงอาทิตย์อยู่ตรงนั้นตรงนี้จริงจังขึ้นมาปับ๊บกิเลสเอาไปกินแหละ อย่างนี้เรียกว่าติดในนิมิตและติดในอนุพยัญชนะฉะนั้นพวกที่จะฝึกอธิจิตพวกนี้นะพวกนี้จะต้องมีสติไวมากแล้วก็ฝึกให้รู้เท่าทันความหลงออกไปเออหลงทางตามันหลงดูไปแล้วต้องรู้เท่าทันถ้ารู้ไม่เท่าทันปั๊บมันก็จะไปติดในนิมิตคือเหยยึดในสิ่งที่เห็นเสร็จแล้วก็ไปติดในอนุพยัญชนะคือรายละเอียดปลีกย่อย ทั้งหูจมูกลิ้นกายและใจก็เหมือนกันนะแบบนี้ใจไม่มีทางมีสมาธิเลยเพราะอะไรอารมณ์ที่เราชอบใจมองเห็นทางตาการมาฉันทะก็เอาไปกินแล้วชอบมันแล้วพอใจมันแล้วถ้าอารมณ์ทางตาชนิดที่ไม่น่าพอใจไปไงไม่ชอบมันแล้วพยาปาทะก็เอาไปกินแล้วแนะ่อย่างนี้ยินดียินร้ายตลอดอย่างนี้ไม่ได้กิน สมาธิไม่มีหรอกอย่างเงี้ยใจไม่ตั้งมั่นเลยนะครับอันนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นคนที่ติดในนิมิตอนุพยัญชนะนะครับฉะนั้นวิธีปฏิบัตินะพิกษุนนั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วเป็นผู้ไม่ยึดถือในนิมิตไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะซึ่งการทําเช่นนั้นก็จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่สํารวมระวังทางจักขุนสี บาปอากุณสรธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสก็จะเกิดขึ้นมาบ่อยๆอภิชาคือความยินดีพอใจอยากได้อยากครอบครองโทมนัสความยินร้ายไม่พอใจหงุดหงิดรู้สึกอยากจะเอามันทิ้งไปก็จะเกิดขึ้นในใจเขาบ่อยๆเราทั้งหลายเกิดในใจบ่อยๆไหมที่มันเกิดในใจบ่อยๆ อ, อย่างนั้นเพราะว่า ไปยึดในนิมิตและยึดในอนุพยัญชนะหลงดูนั่นเองถ้าพูดภาษาเราทุกวนันนี้คำว่าหลงคือมันยึดยึดว่าเป็นจริงเป็นจังถ้าความจริงก็คือขนาดตัวเรายังไม่มีเลยคนอื่นจะมีไหมสิ่งอื่นจะมีไหมไม่มีที่รู้สึกว่ามันมีจริงนั่นแหละหลงหลงไปแล้วยึดในนิมิตยึดในนิมิตบางทีกิเลสยังไม่แรงถ้ายึดอนุพยัญชนะรู้สึก มาแล้วกิเลสเพียบมันทีเดียวชอบพอใจไม่ชอบไม่พอใจก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆ อ, อันนี้นะฉะนั้นให้เราทั้งหลายปฏิบัติเพื่อสํารวมระวังจกักขุนสีนั้นนะโดยรู้เท่าทันฉะนั้นการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในตอนต้นๆ น, น, นี้เขาก็ฝึกทั่วไปนะดูกายบ้างดูอาการทางจิตเยอะแยะต่างๆก็เพื่อเอามาใช้อันนี้ให้ได้มาฝึกอธิจิตให้ได้ ถ้าคนสติสัมปชัญญะไม่ไวพอไม่รู้เท่าทันจิตใจตนเองฝึกอันธิจิตไม่ได้นะทำสมาธิไม่ได้พอทำสมาธิไปเจอสงบก็นอนอยู่กับความสงบนะมันก็ไม่ได้อะไรใจก็ไม่เกิดความตั้งมั่นขึ้นได้แต่นิ่งอยู่งั้นนะ่ะไปเพ่งอารมณ์แล้วมีความสุขก็อยู่งั้นนะ่ะไม่รู้เท่าทันใจตัวเองว่าอ๋อมันหลงไปแล้วมันเพ่งไปแล้วก็รู้ไม่ทันเหมือนเราหลงดูไปแล้วก็รู้ไม่ทันเป็นไงมันก็ชอบก็ชังไปแต่ถ้าหลงดูไปแล้ว ไปสนใจชาวบ้านเขาอีกแล้วเนี่ยนะไปสนใจหมาอีกแล้วนะรู้ทันรู้ว่ามันหลงไปแล้วมันก็หมดไปอย่างนี้นะให้รักษาจากขุนสีนะแล้วก็เข้าถึงความสำรวมระวังทางจากักขุนสีอาศัยตามองเห็นนี่ก็เกิดความสำรวมเข้าถึงความสำรวมนะเห็นแล้วเกิดสติสัมปชัญญะ ไม่หลงไปหลงแล้วรู้ทันไม่หลงไปสำรวมระวังอย่างนี้นะท่านทั้งหลายเวลาหลงหลงไปแล้วคงจะพอรู้นะเวลาหลงนะหลงปกติที่มันหลงเยอะๆนี่หลงทางใจเยอะมากหลงทางมันินสีหลงทางตาก็เยอะแยะวันๆเนี่ยเรามองเห็นปั๊บรู้สึกเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเมื่อไหร่อะใช่แล้วผู้หญิงจริงๆผู้ชายจริงๆสวยจริงๆหน้าเอาจริงๆ โอ้ยเนี่ยจนรู้สึกต้องบ่นเพอ้อถึงมันน่ะโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะทํำนองนี้บางคนบน่นคนเดียวไม่พอนะเพื่อนเพื่อนเ น, นมาช่วยบ่นหน่อยโอ้ยด้วยกันเนี่ยอย่างนี้เรียกว่ามันหลงไปแล้วนีความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันนะความสุขความทุกข์นี้ก็รู้ได้ทางใจถ้าไปหลงสุขมันก็ไปแล้วหลงทุกข์มันก็ไปแล้ ว, ลกลวเกิดอภิชาและโธมนัส เรียกว่าใจไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าใจตั้งมั่นสุขธรรมดาเกิดดับไม่เที่ยงทุกก็ธรรมดาเกิดดับไม่เทียทรรเดดเท่ยงถ้ามีสมาธิก็เกิดปัญญานะแต่ถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่เกิดปัญญาต้องฝึกเอานะฉะนั้นตอนแรก่านจึงให้ฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะให้เกิดศีล น, นะพอมีศีลแล้วก็มาฝึกอย่างนี้นะฝึกให้ได้รู้เท่าทันอย่างนี้ทางทาวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ช่วงนี้เรียกว่าฝึกอธิจิตเรียนรู้ลักษณะของจิตให้มันเข้าใจว่าจิตมันไปทําอะไรบ้างวันๆ น, นะโสเตนะสัตนังสุตวาฟังเสียงด้วยหูแล้วคาเนนะคันทางคายิตวาดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วชิวหายระรสังสายิตวาลิมรสด้วยลิ้นแล้วกาเยนะโผทับังภูสิตวา กระทบโทธทพะด้วยกายแล้วมณสาธรรมังวิญญาญะรู้แจ้งธรรมะด้วยใจแล้วรู้อารมณ์ทางใจแล้วไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีคิดดีก็ดีคิดไม่ดีก็ดีณนะนิมิตตคาหีโหตินานุพยัญชนะคาหีเป็นผู้ไม่ยึดถือโดยนิมิตไม่ยึดถือโดยอนุพยัญชนะการยึดถือนิมิตก็ ดีชั่วถูกผิดสูงตำ่ำดำขาวสาคัญไม่สาคัญน่าเอาไม่น่าเอาอันนี้ดูแบบห ย, ยาบๆแบบรวบรัดไปส่วนอนุพยัญชนะนี้คือลายละเอียดของมันดีดีตรงไหนไม่ดีไม่ดีตรงไหนสวยสวยตรงไหนไม่สวยไม่สวยตรงไหนอย่างนี้สนใจลายละเอียดนะครับฉะนั้นพวกสนใจรายละเอียดเยอะๆนี่ไม่ใช่ดีนะ ยิ่งสนใจรายละเอียดเยอะก็ยิ่งเรียกว่าหลงเข้าไปนานมากแล้วกิเละเอาไปกินหมดนะอย่างนี้ยัตตวาที่กรณะเมนังมะนินริยังอสังวุตังวิหันตังอภิชาโดมนาสาปาปากาอากุสลาธรรมมาอนวะเสวยุงซึ่งจะเป็นเหตุให้ผู้นั้นอยู่ด้วยการไม่สำรวมระวังในมนินสี แล้วก็จะทําให้บาปอากุศลธรรมทั้งหลายคืออภิชาและโทมนัสเกิดขึ้นบ่อยๆ บ, บาปอากุศลธรรมทั้งหลายนี่นะที่มันเกิดขึ้นมานี่ที่หยาบหยาบให้เห็นได้ก็คือความยินดีความยินร้ายนี่แหละเห็นไหมนี่หยาบแล้วนะเนี่ยเห็นหรือยังยินดีและยินร้ายต่ออารมณ์ต่างๆนี่ถือว่ายาบแล้วนะถ้าละเอียดเป็นสัญญน์เป็นอนุสัยนี่โอ้มองไม่เห็นเลยนะ อันนี้เกิดมากลุ่มรุมจิตใจแล้วนะรั่วรถจิตใจบ่อยๆแล้วนีถ้ายังไม่เห็นก็ลำบากหน่อยต้องฝึกให้เห็นอันนี้นะฝึกให้เห็นความยินดีและความยินร้ายอยากได้ต้องการไม่อยากได้ไม่ต้องการพอใจไม่พอใจนี่พวกนี้เป็นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเกิดจากการไม่สํารวมอินทรีย์ไปยึดถือโดยนิมิตนึกถือโดยอนุพยัญชนะ แต่จริงสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นของมันนะเราไปยึดถือมันนะพอไปยึดเองก็เกิดกิเลสเองเลยฉะนั้นสิ่งนั้นมันไม่ได้ทําให้เราเกิดกิเลสนะความยึดของเราเนี่ยทำให้เกิดกิเลสยึดโดยนิมิตยึดว่ามันดีเราก็ชอบยึดว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ชอบเกิดกิเลสแล้วเห็นไหมทั้งๆที่สิ่งนั้นมันไม่ใช่ดีหรือไม่ดีด้วยตัวของมันเองนะมันเป็นอย่างนั้นของมันนั่นแหละอย่างนี้ ตัด ส, สังวรายะปฏิบัติชติย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมระวังมะนิรียนั้นรักติมนินดริยังรักษามะนิรีมนินดริเยสังวรังอาปัจฉิย่อมเข้าถึงความสํารวมมะนินสีนี่นะฉะนั้นการสํารวมทางมะนินสีนี่ก็สําคัญอินทรีย์ทั้ง6จากขุนสโสตินรียคานินรีย ชิวหินสีกาทรีมนินสีถ้าสำรวมได้ก็โอ้ดีมากนะแสดงว่าสติสัมปชัญญะดีเป็นไปเพื่อการเกิดสมาธิจิตใจมีความตั้งมั่นไม่หลงไปดูไม่หลงไปฟังไม่หลงดมกลิ่นไม่หลงรู้รสไม่หลงสัมผัสไม่หลงคิดไม่หลงนึกไม่หลงไปตามสุขตามทุกข์ไม่หลงตามสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคว่าไม่หลงไปไม่ใช่หมายความว่าเราไม่รู้มันนะ เรารู้มันแต่เราไม่หลงไปตามมันเท่านั้นเองเราก็มองเห็ น, เหนกันแต่เราไม่หลงไปตามสิ่งที่เห็นไม่ใช่หมามันวิ่งไปไกลแล้วเรื่องตามเลิดซอยนู้นซอยนี้ไปเรื่อยอย่างนี้มันหลงไปเสียงเราก็ได้ยินเราก็รู้เหมือนกันว่าเขาพูดว่าอะไรแต่ว่าเราไม่หลงไปตามเสียงใจรับรู้สุขทุกขก็รับรู้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่หลงไปตามสุขไม่หลงไปตามทุกไม่ยึดในนิมิตและอนุพยัญชนะ ก็อภิชาโทมนัตมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าไปหลงเมื่อไหร่นะอภิชาโทมัตก็เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องค่อยๆฝึกนะช่วงนี้เป็นช่วงที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อทีเดียวนะการฝึกอธิจิตนี่ถ้าจะจะเข้าใจความลับของธรรมชาติเนี่ยต้องฝึกให้มีจิตเป็นสมาธิฉะนั้นระดับขั้นสมาธิขึ้นไปแล้วเนี่ยสมาธิไม่ว่าจะเป็นฌาน มักผลนิพพานพวกนี้เขาเรียกเหนือโลกแล้วส่วนขั้นศีลนี่เป็นพวกธรรมดาอยู่เป็นพวกมนุสธรรมอยู่ส่วนเหนืออันนี้ขึ้นมาแล้วเป็นอุตตริมนุสธรรมและนะฉะนั้นไอ้เรื่องสมาธิเรื่องพวกนี้เป็นระดับสูงแหละคนทั่วไปไม่มีหรอกท่านลองดูก็แล้วกันคนทั่วไปก็จะมีหลงรักหลงชงังอาการเต็มเพียบทีเดียวเห็นด้วยก็ถือว่าถูกไม่เห็นด้วยก็ไม่ถูก อะไรต่างๆฟังดูเหมือนเป็นกลางแต่ว่าแท้ที่จริงเอียงไปข้างหนึ่งดีกับชั่วผมเป็นกลางอย่างนี้แสดงว่ามันชั่วมันไม่รู้ว่าชั่วหรือยังไงมันถึงเป็นกลางเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ผมเป็นกลางไม่ไว่าใครจะดีจะชั่วผมก็เป็นกลางแล้วมันไม่รู้หรือไงว่าชั่วชั่วมันก็งดเว้นไสิเป็นกลางนะดีก็ทําไปสิจิงที่เรียกว่าเป็นกลางผมกลางกลางไม่เอาทั้งดีทั้งชั่ว อย่างนี้มันได้เรื่องที่ไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมอันนี้แสดงว่ามันเอียงข้างชั่วคือมันไม่ได้บอกว่าชั่วชั่วนั่นเองมันเลยชั่วหนักกว่าเดิมนะอย่างนี้เราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นกันไหมอ่านะฉะนั้นอย่าไปเอ็เอียงอะไรมันมากเนี่ยเห็นไหมเขาชอบพูดว่าเฮ้ยผมเป็นกลางนะทั้งนี้ชั่วทั้งนี้ดีผมเป็นกลางกลางให้ดีกับชั่วมาผสมกันกลางไว้อย่างเนี้ย กลางเป็นบ้าอะไรมันข้างชั่วชัดๆเลยเนี่ยพวกเนี้มันชั่วมันไม่ได้กลางมันไม่รู้ได้ยังไงว่าทําแบบนี้มันชั่วไม่รู้จักละอายชั่วกลัวป่าไม่รู้จักมีเฮริโอตับปะอะไรอย่างนี้ฉะนั้นท่านอย่าไปเชื่อเขามากพวกนักวิชาการนักอะไรต่างๆนี่พวกนี้มันไม่รู้จักละอายมันไม่มีเฮริโอตับปะพอไม่มีเฮริโอตับปะไม่มีศีลนะอย่ามาพูดเรื่องกวามเป็นกลางเลยมันเป็นไปไม่ได้ความเป็นกลางนี้มันเป็นธรรมะชั้นเหนือโลก ในโลกนี้มันมีแต่เอียงข้างใดข้างหนึ่งขึ้นลงขึ้นลงทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นพวกที่ยังวนเวียนอยู่ในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าวนเวียนอยู่ในโลกก็แค่กุศลกรรมบุ10ิก็พอแล้วจะเอียงยังไงก็ได้แต่ขอให้เอียงมาฝ่ายดีก็แล้วกันอย่างนี้นะอย่าไปเอียงเข้าฝ่ายชั่วเราทุกวันนี้คําว่ากลางของเขาคือเอียงเข้าฝ่ายชั่วอยู่กลางกลางนี่ ไม่ตัดสินว่าอะไรมันดีมันชั่วนี้คือชั่วที่สุดนะพอเข้าใจไหมเราเห็นว่ามันชั่วเราบอกว่ามันชั่วอย่างนี้ยังดีหน่อยเป็นผู้เป็นคนหน่อยอันท่านลองคิดดูแหละว่าเออเนี่ยไม่ตัดสินว่าอะไรมันดีมันชั่วถ้าท่านอยู่ในโลกนี้นะท่านชั่วมากนะแต่ถ้าท่านเหนือโลกอันนี้โอเคเพราะว่าท่านเป็นกลางแล้วคนละชั้นกันเห็นไหมเรายังอยู่ในโลกนี่เรามาเป็นกลางอย่างนี้ไม่ได้ถ้าให้พระรหันท์ท่านเป็นกลางอันนั้นไม่ว่ากันพอเข้าใจไหม ต้องเข้าใจแบบโลกิยะกับระดับโลกุตระมันต่างกันนะอ่าอย่างเนี้ยอย่างที่ผมบอกท่านแล้วหลายเรื่องแล้วบอกว่าไม่เอาอะไรอะไรก็เหมือนกันนะ่ะถ้าไม่เอาอะไรไม่ทําอะไรแบบเป็นพระอรหันต์กิริยาจิตอันนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าอย่างเราเนี่จิตกุศลอกุศลไม่ทําอะไรคืออกุศลเอาไปกินฉะนั้นท่านต้องฝึกมีสติไว้นะอย่าไปเฉยเฉยไปอะไรไปอย่างงี้โง่ตลอดอย่างนี้เห็นไหม ต้องเข้าใจดีๆนะครับอันนี้ฉะนั้นตั้งแต่ขั้นการฝึกให้มีอินทรียสังวรอันนี้เป็นระดับเหนือกว่าโลกแล้วนะนี่ท่านไหนมาฝึกถึงอันนี้บ้างก็เราก็เริ่มเหนือโลกแล้ว <c oughs> ก็คือโลกทำอะไรเราไม่ได้ความหมายคืออย่างนั้นคือเราไม่หลงไปยินดียินร้ายกับโลกฉะนั้นคนละชั้นกันนะพูดแบบโลกก็ต้องพูดแบบหนึ่งนะไม่ดีต้องว่าไม่ดีแล้วงดเว้นละอายไม่ทาดีจึงค่อยทาอันนี้แบบโลกนะ แต่แบบเหนือโลกนี่เขาไม่ว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าว่าปั๊บมันจะหลงรักหลงชังเห็นไหมต่างกันไหมต่างกันอันหนึ่งเป็นแบบโลกอันหนึ่งเป็นแบบเหนือโลกนะฉะนั้นแบบเหนือโลกตั้งแต่สมาธิเป็นต้นไปเนี่ยฌานมรรคผลนิพพานพวกนี้เป็นอุตตริมนุสธรรมใครมาอวดนี่ผิดนะพระพุทธเจ้าท่านห้ามพระไม่ให้อวดอุตตริมนุสธรรมคือได้สมาธิชั้นโน้นชั้น น, ون, น, นี้ได้เห็นนั่นเห็นนี่อันนี้ ท่านห้ามส่วนมนุสธรรมธรรมดานี่ไม่เป็นไรก็พูดกันได้นะละเว้นทุจริตละเว้นกาญจาทุจริตมโนทุจริตวจีทุจริตอันนี้ว่าไปเป็นมนุษธรรมในขั้นศีลนี่เป็นมนุษธรรมส่วนขั้นสมาธิเลยไปแล้วอุตตริมนุษธรรมไปพอเข้าใจไหมครับนะจากนั้นถ้าท่านทั้งหลายอยากเหนือคนธรรมดาก็ต้องมาฝึกอธิจิตตสิกขานะ ไม่ใช่ฝึกแต่สมถะวนเวียนหลงรักหลงชังจิตไม่มีความตั้งมั่นอยู่อันนั้นก็จมอยู่กับโลกเขาเหมือนกันนะหลงรักรักความสงบเกลียดความไม่สงบก็วนเวียนอยู่กับโลกเขาเหมือนกันแต่ว่าการฝึกอธิจิตนี้เขาฝึกสงบเขาก็ไม่หลงยึดถือไม่สงบเขาก็ไม่หลงยึดถือเป็นไงอันนี้เหนือกว่าเยอะนอย่างนี้ โสอิมินาอริเยนะอินดริยสังเวรนะสมนาคโตอัจฉตังอัพยาเสกสุขขังปฏิสังเวเตติภิกษุนั้นประกอบแล้วด้วยอินทรียสังวรอันเป็นอริยะนี้ก็จะได้เสวยความสุขที่เป็นลักษณะที่จิตที่ยิ่งนะอัพยาเสกสุขแปลว่าสุขที่เกิดจากอธิจิต สุขที่เกิดจากการฝึกจิตอัดชัดตังในภายในมีความสุขแบบสุขอยู่กับตนเองนะไม่ใช่สุขแบบมีศีลสุขแบบมีศีลนี่สุขแบบใจปลอดโปร่งไม่เดือดร้อนใจในภายหลังเพราะไม่มีโทษอะไรส่วนอัปยาเสกสุขขังอัปยาเสกแปลว่าจิตที่ได้รับการฝึกให้ยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดานะฉะนั้นจิตชนิดนี้ ที่ได้รับการฝึกมาพอสมควรแล้วจะสามารถมีสุขได้ด้วยตนเองไม่หลงดูก็มีความสุขนะไม่หลงฟังก็มีความสุขไม่ใช่หลงดูค่อยมีความสุขนะเรายิ่งหลงมากๆค่อยมีความสุขใช่ไหมนะฟังเพลงนี่แม่ต้องร้องคลอมันไปตามจึงมีความสุขอย่างนั้นใช่ไหมโอ้อย่างนี้แย่ yeah, เต็มทีนะีอันนี้เขาไม่หลงฟังมีความสุขเห็นไหมไม่หลงดูมีความสุ ข, เ, สขเขาเรียกว่า อพยาเสกสุขความสุขที่การที่เกิดจากการฝึกอจิตนะเป็นความสุขที่เกิดในภายในนะครับนะถ้าท่านยังไม่รู้จักก็ค่อยๆ่ยฝึกฝนนะสุขชนิดนี้เป็นสุขที่ไม่ระคนไปด้วยกิเลสต่างๆไม่เกิดกับความยินดีไม่เกิดกับความยินร้ายแต่ก่อนเราเวลาจะมีความสุขทีต้องไปยินดีกับรูปใช่ รูปสวยสว ย, ยินดีมีความสุขเสียงเพราะๆเป็นไงแหมยินดีมีความสุขนั่งแล้วสงบเป็นไงนอนกอดมีความสุขนั่งแล้วใจสบายแหมมีความสุขทําบุญแล้วปลอดโปรง่งมีความสุขอันนี้เรียกว่าสุขมันระคนด้วยกิเลสระคนด้วยอภิชฌาแต่ว่าอภิยเะเสกสุขนี่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยตรงข้ามเลยไม่หลงไปของดีก็ไม่หลงไปเกิดสุข ไม่หลงสุขกับของดีไม่หลงทุกข์กับของไม่ดีก็เป็นเรียกว่าอัปยาเสกสุขนะสุขที่ไม่ระคนด้วยกิเลสเป็นสุขในภายในของจิตเองจิตเป็นสุขด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อมาให้มันเป็นสุขนะถ้าจะเรียกก็เรียกว่าเนคขมมะสุขอะไรก็ได้ไม่ต้องอาศัยเหยื่อล่อนะไม่ต้องใจสบายข่อยมีความสุขไม่ต้องล่อมันอย่างนั้นไม่ต้องเห็นรูปสวยมีความสุขไม่ต้องเยอะล่ออย่างนั้น ไม่ต้องเสียงเพลาะเพะมีความสุขสัมผัสนุ่มๆมีความสุขไม่ต้องอันนี้เรียกว่าอัพยาเสกสุขพอรู้จักไหมครับนะถ้ายังไม่รู้จักก็ไปฝึกเอานะนะฝึกฝึกฝนไปนะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะอย่าไปยึดในนิมิตอย่าไปยึดอนุพยัญชนะพอมันเข้าไปแล้วอ้าวหลงไปแล้วให้รู้ทันนะหลงเสียงเข้าไปแล้วอ้าวรู้ทันนะหลงนั่นหลงนี่ให้รู้ทันให้เยอะๆนะ ฉะ น, นการจะรู้ทันนี้ท่านก็ต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้ดีๆก็ตัวสติสัมปชัญญะนี้ท่านเรียกว่าตัวสังวรในที่นี้แหละนะทีนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะในทุกๆอิริยาบถได้ทําไมจึงมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวในทุกอิริยาบถเพราะว่ามันไม่หลงไป ท่านเดินเดินอยู่ท่านไม่รู้ว่าตัวเองเดินอยู่เพราะอะไรเพราะมันหลงไปตามสิ่งที่มองเห็นหลงไปตามสิ่งที่ได้ยินหลงไปตามสิ่งที่คิดที่นึกมันก็เลยไม่รู้ตัวท่านลองคิดดูสิมองดูเห็นรู้ทันแป๊บไม่หลงไปรู้ตัวไหมรู้ตัวดีได้ยินแป๊บไม่หลงไปตามเสียงที่ได้ยินรู้ตัวไหมรู้ตัวฉะนั้นท่านก็จะรู้ตัวได้ทุกที่ทุกๆเวลาทุกๆอิริยาบถ ลำดับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการมีสัมปชัญญะฉะนั้นการมีสัมปชัญญะในทุกทุกอิริยาบถนี้จึงเป็นต้นทางของการเกิดสมาธิและนะฉะนั้นตอนแรกแรกให้ฝึกอินทรีสังวรนะอย่าไปหลงรักหลงชังสิ่งต่างๆให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองไว้นะอย่างนี้พอรู้เท่าทันแล้วใจมันก็ไม่เปหลงติดพอไม่ปหลงติดก็กลับมาที่ตนเองรู้ตนเองอย่างนี้ ต่อมาเมื่อมีความรู้ตัวในทุกๆุกิริยาบทอย่างนั้นก็จะเกิดสมาธิได้ทาไมเกิดสมาธิได้นิวรณมันไม่มีกิเลสไม่มีจิตก็มีแต่ความสะอาดปลอดโปรง่งเบาสบายนิ่มนวลควรต่อการใช้งานแต่ถ้ายังหลงไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เป็นไงบ้างกิเลสเอาไปกินหมดนิวรณบังตาเพียบมันก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ฉะนั้นการรู้ตัวในแท้ที่จริงมันไม่ยาก แต่ที่มันไม่รู้ตัวเพราะมันหลงทอนนั้นเองพอท่านเลิกหลงมันก็รู้ตัวต่นนั้นแหละง่ายไหมง่ายแต่ตอนจะเลิกหลงน่ะสิมันยากตรงนี้แหละฉะนั้นก็ต้องไปหัดเอาเองนะกายมีเทคนิควิธีฝึกสติอะไรยังไงก็ <c oughs> เพื่อมารู้เท่าทันเวลาตามองเห็นจะได้ไม่เป็นหลงสิ่งที่ตามองเห็นนั่นหูได้ยินจะได้ไม่เป็นหลงสิ่งที่หูได้ยินนั่นใจคิดใจนึกจะได้ไม่เป็นหลงสิ่งที่คิดนั่นจะได้ไม่เป็นหลงสิ่งที่ใจรับรู้นั่นนี่ ต้องฝึกให้ได้อย่างนี้นะฝึกแบบนี้นะจึงจะถูกต้องตามลำดับที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ไม่ใช่ฝึกไปแล้วสงบแล้วนั่งนิ่งกอดความสงบอย่างนี้ไม่ได้นะสุขแล้วนั่งนิ่งกอดความสุขอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้แสดงว่ามันเป็นความสุขที่เจือด้วยความชอบความพอใจนะไม่ใช่อพยาเสกสุขนะครับต่อไปท่านก็จะแสดงถึงการมี สัมปัญญามีความรู้ตัวในทุกๆอิริยาบถโสอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติภิษุนั้นเป็นผู้ที่กระทำความรู้ตัวในการก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานัการีโหติเป็นผู้กระทาความรู้ตัวในการแลดูเหลียวดูสำ ม, มินจิเตปสาริเตสัมปชานัการีโหติ เป็นผู้ที่กระทําความรู้ตัวในการคุเข้าในการเหยียดออกสังคาติปัตะจีวรธาระเนสัมปชานการีโหติเป็นผู้ที่กระทําความรู้ตัวในการทรงผ้าสังคาติอุ้มบาศและห่มจีวรอสิเตปีเตขายญเตสายิเตสัมปชานการีโหติเป็นผู้ที่กระทําความรู้ตัวในการกินดื่ม เคี้ยวลิ้มอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการีโหติเป็นผู้กระทาความรู้ตัวในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะขะเตติเตนิสินเนสุตเตชาคริเตภาสิตเตตุนหีพาเวสัมปชานการีโหติเป็นผู้ที่กระทาความรู้ตัวในการเดินยืนนั่งนอน ตื่นพูดและนิ่งรู้ตัวทุกๆอิริยาบททุกๆอย่างที่ทำเดินก็รู้ตัวยืนก็รู้ตัวนั่งก็รู้ตัวนอนก็รู้ตัวตื่นก็รู้ตัวพูดก็รู้ตัวนิ่งก็รู้ตัวทำไมจึงรู้ตัวมันไม่หลงไปไม่ไปยึดนิมิตไม่ไปยึดอนุพยัญชนะสิ่งต่างๆมันก็รู้ตัวพอเข้าใจไหมครับ ฉะนั้นเราทั้งหลายฝึกสตินะตอนแรกๆฝึกเพื่อให้รู้เท่าทันจิตใจตนเองและเจตนาอะไรที่ไม่ดีให้มีศีนะเรามาฝึกให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อรู้ทันใจตนเองเวลาที่ตาไปมองเห็นรูปแล้วก็รู้อย่าไปหลงดูหูหลงฟังใจหลงนั่นหลงนี่รู้ทันนี่หลงเพ่งและนี่หลงนึกหลงคิดไปแล้วรู้ทันรู้ทัน บ, บ่อยๆนะมันก็ไม่ไปตามเรื่องนั้นพอไม่ไปตามเรื่องนั้น มันก็อยู่กับเนื้อกับตัวดีอย่างนี้ก็จะรู้ตัวตลอดนะทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นต่อมาแล้วนี่นะขั้นอินทรีสังวรแล้วขั้นมีสติสัมปชัญญะในทุกๆอิริยาบถอย่างนี้นะเป็นขั้นการฝึกอธิจิตนี่เหนือคนธรรมดาหรือยังนี่เหนือไปเยอะแล้วนะคนธรรมดานี่หลงรักหลงชังสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะนะ คนธรรมดาในโลกนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยรู้ตัวนะแม้แต่นั่งสมาธิก็หลับๆเคลิม ๆ, ๆไม่ไม่รู้ตัวทำนั่นทำนี่ไม่ค่อยรู้ตัวนั่นเป็นพวกชาวโลกนะตอนนี้เห็นไหมรู้ตัวแล้วนี่มันเหนือโลกก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้นะครับเป็นธรรมะที่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะเหนือมนุษย์นะอุตริมนุสธรรมเหนือมนุษย์ท่านอยากจะเป็นคนเหนือมนุษย์หมเออนี่ย แจวแจวมาเลยนี่ยมีวิธีเหนือมนุษย์นะอุตริมนุสธรรมธรรมะที่ทําให้เหนือมนุษย์เหนือคนคนธรรมดาธรรมดานี่เขามีแต่วนเวียนเป็นทุกนนท์เป็นทุกนี่บนเพอนั่นนี่เยอะแยะนะแต่พวกนี้เหนือแล้วเข้าใจธรรมชาติของโลกแล้วก็เข้าใจกลไกการทํางานของโลกของสากลจักรวาลเหนือกว่าโลกทั่วไปนะอันนี้เป็นจุด ต่างตนนะฉะนั้นช่วงสมาธิจึงสําคัญมากนะแต่ว่าเราโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกหรอกไม่ได้ไม่ไมค่อยได้ฝึกชุดนี้นะส่วนใหญ่เวลามาทําสมาธิเขาบอกท่านทําไงดูลมหายใจเข้าหายใจออกหลับตาแงกๆๆหลับขาดสติไปเลยหายเงียบสนิทท่านไม่ได้ฝึกอะไรเลยอย่างนี้นะเราเลยไม่ได้ผลอะไรเห็นไหมยังทุกข์เหมือนเดิมนอนกอดสุขได้สุกเล็กๆน้อยน้อยแล้วก็ ไม่ได้ผลอะไรเพราะว่าเราฝึกไม่ถูกอะ่ะพูดง่ายๆนะฉะนั้นเวลาเป็นในญาบุคคลนี่นะต้องฟังให้เข้าใจฟังให้ดีนะแต่ยังไม่เข้าใจก็สอบถามเทียบเคียงให้เข้าใจแล้วก็เอามาหัดนะหัดก็ต้องหัดตามรูปแบบอย่างนี้นะจะได้ผลแล้วก็จะได้ความสุขอย่างที่ท่านบอกเลยสุขจากการมีศีลเป็นอย่างนี้นะท่านก็จะบอกเอาไว้ศีลคืออย่างนี้นี่ท่านก็เอาไปอ่านดูนี่นะอย่างนี้นะพระสูตรนี้ก็ครบอยู่แล้วขอทําได้ตามนี้ก็ บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ไปเลยไม่ต้องเรียนเยอะนั่งก็ได้เรียนอย่างนี้แล้วก็ทําไม่ได้ก็พอแล้วนะต่อมาหลังจากมีศีลแล้วก็ฝึกอธิจิตนะฝึกโดยฝึกให้มีอินทรีย์สังวรรู้เท่าทันเวลาใจหลงไปยึดถือในนิมิตอนุพยัญชนะอย่าไปยึดถืออย่าไปหลงในนิมิตอนุพยัญชนะนะต่อมาก็ให้มีความรู้ตัวในการทาพูดคิด แล้วก็ในอิริยาบทต่างๆนะพอมีความรู้ตัวในอิริยาบททุกๆอิริยาบทเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิแล้วในบาลีข้อ412นะครับนี่นะโโ so, อิมินาจะอริเยนะสีลขขันเทนะสมนาคโตอิมินาจะอริยายะสันตุิยาสมนาคโต อิมินาจะอริเยนะอินเดริยสังวรเณนะสมณาคโตอิม erm ินาจะอริเยนะสติสัมปัญเยนะสมณาคโตวิวิตังเสนาสนังพระชติภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยนี้ด้วยเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยความสันโดษอันเป็นอริยนี้ด้วยเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยอินทรสังวรอันเป็นอริยนี้ด้วย และเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะนี้ด้วยก็ย่อมเสพเสนาสงะสซี่เงียบสงัเนี่ยคุณสมบัติของผู้ที่จะทำสมาธิจิตจะเกิดสมาธินะทว่าโดยในที่นี้มีอยู่สี่อย่างอันที่หนึ่งคือประกอบด้วยอริยะศีลขันอันที่สองประกอบด้วยอริยะสันโดษอันที่สามประกอบด้วยอริยอินทรสังวร อันที่4ประกอบด้วยอริยสติสัมปัญญาท่านก็ดูก็แล้วกันนะแบบนี้แหละจะเหมาะสำหรับคนที่จะเกิดสมาธิทีนี้ก็ไปเสพเสนาสนะที่เงียบสง ะ, ะผู้ที่มีธรรมะเหล่านี้อยู่ในจิตในใจเขาแล้วการที่จะให้เขาไปคลุกคลีพูดคุยกับคนนั้นคนนี้ไปดูไปฟังไปดูหนังละครเขาทำไหมเขาไม่ทำค่ะเขามีเวลาเขามีแต่อยู่เ ง, ยเงียบเียบ พระก็เหมือนกันนะอันนี้ที่อยู่ของพระท่านก็จะไปอยู่เงียบๆของท่านอยู่ใต้ต้นไม้บ้างอะไรบ้างถ้าเป็นเราคารวาก็อยู่ตามที่ของตนของตนไปนะแต่จะให้ไปพูดคุยเพอือเจอไป ค, ปคลุกคลีไปดูหนังดูละครก็ไม่ทำแหละพระก็เหมือนกันหลังจากท่านเสร็จธุระอะไรแล้วท่านก็ไปเสพเสนาสนะอันสงัด ก, ก็คืออยู่ในที่ที่วิเวกเป็นกายวิเวก อารัญยังคือเป็นป่ากด็ดีลุกขโมลังใต้ต้นไม้ปพัพตังภูเขากันรังซอกเขาคิริคูหังถ้ำสุสานังป่าช้าวนปัตถังป่ารกทึบอพโพกาสังที่แจ้งปลารละปุญชังกองฝางอันนี้ก็เป็นที่อยู่ของพระนะพระทำไปอยู่ตามที่ต่างๆ ต, ต, ตามสมควร ไปอยู่ที่ป่าไม่มีบ้านคนใต้ต้นไม้หรือว่าไปอยู่ตามภูเขาซอกเขาถ้ำหรือป่าช้าก็ได้ป่ารกๆ ก, ก็ได้ที่แจ้งก็ได้กองฟางก็ได้นะครับโสปัตชาพตังปินดาปาตะปฏิกันโตนิสี ต, ติปันลังกังอาภุชิตวาอุชุงกายังปนิทายะปริมุขังสติงอุปัฏเบตวาภิกษุนั้น คั้นเวลาปัจฉาพัดคือเสร็จกิจอะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีกิจที่ต้องทําแล้วนะกลับจากบินทบาทแล้วท่านก็นั่งคูบันลังตั้งกายให้ตรงดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้าตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้านะรับรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะตั้งสติเอาไว้เป็นตัวตั้งนะตั้งดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนไปเกิดขึ้นและเปลี่ยนไป นี้ท่านนี้ตั้งสติได้ไหมโอ้ตั้งได้อยู่แล้วฝึกมาอย่างดีเลยนะไอเราไปตั้งไปไงคู่บรรลังเหมือนกันนะได้แต่ถ้าแป๊บเดียวเท่า น, นั้นเองสติมันไม่ได้ตั้งไว้เฉพาะหน้านะมันวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างนี้นะก็ต้องฝึกให้มีคุณสมบัติตามนี้ถ้าได้คุณสมบัติอย่างนี้นะธรรมะเป็นของกลางนะใครปฏิบัติได้คนนั้นก็ได้นะไม่เป็นเรื่องการเวลาอะไร อูที่เหตุนะถ้าเหตุมันมีผลมันก็มีนะครับฉะนั้นถ้าท่านทําแล้วรู้สึกง่วงง่วงหลับหลับใจไม่เป็นสมาธิอันนี้ก็แสดงว่าสติของท่านไม่ค่อยดีท่านก็ต้องไปฝึกมานะฝึกวิธีการอย่างไหนก็ตามสบายอย่าไปหลงเชื่อคนนั้นคนนี้นะนี่วิธีการของท่านนี้ท่านบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับพอประกอบด้วยอย่างนี้นะก็ไปนั่งตั้งกายตรงดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้า ฉะนั้นการดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้านี้สำคัญมากนะถ้าเราไม่ค่อยรู้ตัวนี่สติมันจะตั้งเฉพาะหน้าดำรงเฉพาะหน้าอยู่ได้นานไหมได้สองสามครั้งตอนเงียบแลลวอย่างนี้บางคนก็ไม่ได้ตั้งไว้เฉพาะหน้าโดยสำไปเอาสติไปนอนไว้กับลมหายใจนั่นแป๊บเดียวนอนไปนอนมาเงียบไปแล้วเอาสติไปนอนไว้ที่ท้องนั่นแป๊บเดียวแป๊บไปแป๊บมาก็หายไปแล้วบางคนก็เอาไปไว้ที่เท้าบ้างอะไรบ้าง อันนี้เขาใช้วิธีตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้าคือมีความรู้ตัวในการนั่งแล้วก็รับรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้าผ่านออกอย่างนี้นะครับฉะนั้นการตั้งสติเอาไว้เฉพาะหน้านี้สําคัญซึ่งจะตั้งได้ก็ฝึกนะฝึกอินทรียสังวรแล้วก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะในทุกๆอิริยาบถ ท, ทีนี้เมื่อมีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้าอย่างนั้นแล้ว ก็จะสามารถละกิเลสนิวรณ์ต่างๆได้โส so, อภิชังโลเกปหายะวิคตาพิเชนะเจตสาวิหรติอภิชายจิตตังปริโสเทติภิกษุนั้นย่อมละอภิชาในโลกได้มีจิตที่หมดอภิชาอยู่ชํระจิตให้หมดจากอภิชานะ แม้มีสติสัมปชัญญะดีสติตั้งเอาไว้เฉพาะหน้านี่นะจะสามารถละอภิชาในโลกได้อภิชาคือความยินดีพอใจในโลกนะแล้วก็มีใจที่หมดอภิชาไปแล้วหมดความยินดีหมดความพอใจชำระจิตให้หมดจากอภิชาต่อมาก็หมดพยาบาทหมดถีนมิ tha หมดอุทจักขุกุจจ หมดวิจิกิจฉาอย่างนี้ไปตามลำดับนะครับพยาปาดะปะโตสังปหายะอัพยปันณะจิตโตวิหารติสัปะปาณะภูตะหิตานุกรรมปีพยาปาดะปะโตสาจิตตังปริโสเทสิละความปทุสร้ายแห่งจิตที่ทำให้เกิดพยาบาท เป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทอยู่มีความอนุเคราะห์ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์มีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงชำระจิตให้หมดจดจากความปทัทธร้ายที่ทําให้เกิดพยาบาทนะความหงุดหงิดความไม่สบายใจความขัดเคืองใจความรู้สึกเป็นทุกข์ใจความรู้สึกใจเจ็บปวดพวกนี้ก็จะหายไป ถูกละได้ทีนมิต ท, ทางปหายะวิคตะทีนมิตโทวิหะติอาโลกะสัญญีสโตสัมปะชาโนละทีนมิตะคือความท้อแท้หดหู่ง่วงเงาหาวนอนเป็นผู้ที่ปราศจากทีนมิตะมีความสำคัญว่าสว่างใจก็จะสว่างขึ้นมามีสติและสัมปชัญญะดี ทีนมิธาจิตตังปริโสเทติชํมระจิตให้หมดจดจากทีนมิธะอุทธัจจะกุกุจจังปหายะอนุทัโตวิหรติอัจฉตังวูปสันตจิตโตละอุทัจจะกุกุจจะคือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจเป็นผู้ที่ดำรงอยู่โดยจิตไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกมีจิตสงบระงับอยู่ในภายใน อุทธัจจกุกุจจาจิตตังปริโสเทติชํมระจิตให้หมดจดจากอุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉังปหายะตินะวิจิกิจโฉวิหะอัตติอากถังกถีกุสเลสุธรรมเมสุวิจิกิจฉายะจิตตังปริโสเทติละวิจิกิจฉามีวิจิกิจฉาอันข้ามได้แล้วเป็นผู้ไม่สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลาย ชำระจิตให้หมดจดจากวิจิิจชาอันนี้นะเป็นไงมีคุณสมบัติดีพร้อมแล้วก็นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าอันนี้ท่านกล่าวถึงอิริยาบถนั่งอิริยาบถเดินอิริยาบถอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี่แหละนะนี่ท่านยกตัวอย่างมาหนึ่งอิริยาบถนะครับ เวลานั่งก็นั่งโดยใจที่ปราศจากนิวรณ์เห็นไหมนั่งไม่ใช่นั่งง่วงซึมกระทืออยู่กันนะนั่งโดยใจนี้ไม่มีอภิชาไม่มีความยินดียินร้ายไม่ได้อยากได้อะไรไม่มีความหงุดหงิดเลยใจสะอาดสะอาดสว่างแล้วก็มีความสงบระ ง, งับอยู่ข้างในไม่สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายเข้าใจว่าอ๋อนี่กุศลนี้ดีนี้ไม่ดีนี้ถูกนี้ผิด เห็นได้ด้วยตนเองทีเดียวอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะไม่ใช่นั่งเนืองเนืองง่ว ง, ง, งซึมๆกระทืออะไรไปนะถ้านั่งแล้วง่วง ง, วงอะไรต่างๆเหล่านั้นเรียกว่านั่งแล้วใจไม่มีสมาธิเราจะนั่งฝึกก็นั่งฝึกสตินะฉะนั้นเห็นไหมสมาธินี่เรามาทําทําเอาไม่ได้มันต้องฝึกมาฝึกอธิจิตมาโดยถูกต้องและมีคุณสมบัติพร้อมจะละนิวรณ์ได้ พอร้านิวรณ์ได้ใจก็เป็นสมาธิเราก็จะเลิกสงสัยนะว่าเออสมาธิเป็นยังไงเลิกสงสัยแล้วเพราะว่าได้รู้จักด้วยตนเองศีลเป็นยังไงก็รู้จักมาตั้งแต่ต้นแล้วสมาธิก็รู้จักสมถาวิปัสสนาก็จะได้รู้จักต่อไปอย่างนี้เป็นผู้ไม่สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายชำระจิตให้หมดจดจากวิจิกิจฉานะครับพอรานิวร์5ได้แล้ว ต่อไปก็เรียกว่าใจเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นก็จะมองสิ่งต่างๆให้เห็นได้เกิดปัญญาอย่างนี้ฉะนั้นที่เราทำฝึกฝนจนถึงสูงสุดก็ได้เท่านี้แหละคือว่าฝึกจิตให้มีสมาธิเกิดความตั้งมั่นแล้วก็มามองดูสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาพอปัญญาเกิดก็ไปตามลาดับปัญญาน้อยก็เป็นปัจสดาบันลาดับต่อมาก็พระสกทาคามี ลำดับต่อมาก็พระอนาคามีลำดับต่อมาก็พระอระหันต์ฉะนั้นพระอริยเจ้าแต่ละระดับนี้วัดกันที่ปัญญาแต่วิธีการนี้จะเหมือนกันคือว่าเริ่มต้นโดยการฝึกให้มีศีลให้มีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วก็มามองดูให้เห็นความจริงทีนี้อยู่ที่ว่าปัญญาแหละทีนี้ถ้าคนไม่เห็นความจริงทักทีก็ต้องฝึกไปก่อนทไปก่อนนานหน่อย คนเห็นความจริงได้ไวยอมรับได้ไวก็บรรลุกันไปตามสมควรอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับ น, นี่พระสูตรนี้ก็กล่าวถึงวิธีการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นเลยนะท่านทั้งหลายก็เอาไปฝึกฝนดูนะฝึกกันอยู่หน้าสองหน้าเท่านี้แหละนะฝึกกันอยู่เท่านี้แหละฝึกกันห ล, ลายชาติไม่เป็นไรนชาตินี้ไม่จบก็เอาไปฝึกต่อนะ ไม่รู้ได้ถึงข้อไหนกันบ้างแล้วก็ไม่รู้นะเอาละวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาอนุโมทนาทุกท่าน